นาปารมีสัมปันโนธานาอุปปารมีสัมปันโนทานะปรบัตารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุทิตาอุเบคาารมีสัมปันโนอิต สัมปันโนศีลคูปปปารมีสัมปันโนศีลปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาบุรุษาภ aram สัมปันโนอิติปิโสภะคะวา ปารมีสัมปันโนเนคัมมะขุปปารมีสัมปันโนเนคัมมะปรมาทตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณญาติตาอุเบกขาปารามี สัมปันโนอิติปิโสภวปัญญาปารมิสัมปันโนปัญญาอุปปารมิสัมปันโนปัญญาปรมัตถารมสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตา ปารามีสัมปันโนอิติปิโสภคววิริยะปารามีสัมปันโนวิริยะอุปปาารามีสัมปันโนวิริยะ ปารมัตถะปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาบุถิตาบุแหก้าปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะวานทันติปารมีสัมปันโนทันติอุปปารามีสัมปัน ทันติป aramatta paramisampanno เมตตามัตรีกรุณามุติตาอุเบขา p a r a ี i ัมปัน n n อิติปิโสภะคะวาสัจจ p a r a m i s ั m p a n n o สั จักอุปาป arami s, pa anno, s a น p a n n จัก paramatta p a r i a n เมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขา parami ั a m p a n ิิปิโสภะวอาทิธานาร a r สัมปันโนอาทิธานาอุปปารามีสัมปันโนอาทิธานาปรามัทธปารามีสัมปันโนเมตตามัตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติพิโสภะคะวะ ส a r a m i s เมตตาอุปป <Eden> ัมีสัมปันโนเมตตา -paramatta parami s นเมตตามตรีกรุณามุทิตาอุเบกขา p a r a ปารามีสัมปันโนุเปกขาปปารามีสัมปันโนุเปกขาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตามัตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิ สัมปันโนอิติปิโสภะควะทัสัปปารมีสัมปันโนทัตสัคขปปารมีสัมปันโนทัตสัปปารมัทธาปารมีสัมปันโนเมตตามัยตริการุณาโมติตาตุเป ปารามิทสัมพันโนอิติปิโสภะควะพุทธงสรนะนักชาม n นามาณิฮัง